อ้าทบทวนเรื่องเมื่อเช้าหน่อยจะได้ต่อเนื่องเมื่อเช้าเราได้ฟังเรื่องของการเข้าสู่กายใจที่แท้จริงเพื่อให้เรื่องมันง่ายขึ้นเพราะว่าในชีวิตเราแต่ละคนตั้งแต่เราเกิดมาเราถูกเรียนรู้ด้วยการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะจนเรามีเรื่องราวต่างๆเยอะมาก ความอกติในใจของเรามันก็จะเกิดขึ้นด้วยคาว่าความอกติหมายความว่าเราจะใช้ชีวิตความรู้สึกของเราทั้งหมดเนี่ยผูกพันอยู่กับเรื่องที่เป็นคำว่าเราคำว่าของเราไอ้นอนท์ก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราไอ้นั่นก็ของเรามันจึงเป็นที่มาของอารมณ์ต่างๆความขัดแยง้งความไม่สหบความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นที่ใจของเรามาจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยซึ่งความเป็นจริง ธรรมชาติปรากฏชีวิตขึ้นมาตอนที่เราผ่านมาอยู่ที่ตักแม่เราไม่มีอย่างอื่นชื่อก็ไม่มีนามสกุลก็ไม่มีมีแต่กายแต่ใจดิ้นกระดกกระเดกกระดกกระเดกอยู่ที่ตักแม่พอหลังจากนั้นเราก็ได้รับการเรียนรู้สร้างขึ้นมาตามวิถีของโลกจนเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นน้นเป็นนี่แล้วเราก็ออกจากกายใจที่แท้ของเราออกไปไปอยู่กับสิ่งที่มาผูกพัน เคลือบห่อเราไว้เพราะฉะนั้นจิตเราเวลาเราไปตรึกระลึกถึงสิ่งที่มาหุ้มห่อพันกายใจนี้ไว้เนี่ยมันจะมีความเห็นแก่ตัวเป็นหลักถามว่ามันผิดไหมมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันจะหาความสุขไม่ได้เวลาจิตมันจะมีความสุขจริงๆมันจะต้องมันนิ่งอยู่ที่กายที่ใจนี้ก่อนแทที่เราเรียกว่าใจเป็นกลางใจเราจะเป็นกลางไม่ได้ถ้ามันไปอยู่กับ สิ่งที่มาหุ้มห่ออยู่อันพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าโบหะสัมบันโนโลโกโ ล, โลกโลกคือตัวเรานะคือกายใจที่แท้เนี่ยโลกเนี่ยมีโบหะเป็นเครื่องผูก ม, มีโบหะเป็นเครื่องผูกก็ดังที่เคยพูดให้ฟังว่าเราเปรียบเทียบว่าพอเราเกิดมาจากท้องแม่ปั๊บใช่ไหมเราไม่มีอะไรเลยจากนั้นการเรียนรู้ของเราเนี่ยก็เอาไอ้นั้นมาแปะอันนี้มาแปะไอ้น่นมาแปะแปะแปะแปะแปะแปะ ในระหว่างที่มันแปะแปะแ ป, แปมันมันก็มีหลุดออกไปบ้างไอสิ่งที่ชื่อว่าของเราเราสำรวจดูมันจะมีหลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปตามเงื่อนไขเหตุปัจจัยและการเวลามันเป็นอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากการสิ่งแปะในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อมาเป็นของเราและมาแปะไว้ที่กายที่ใจเนี่ยทุกที่เกิดแล้วพอแปะเสร็จแล้วมันรักษาให้มันคงแปะอยู่อย่างนั้นอย่างเราไปซื้อรถมาสักคันหนึ่ง การสเสวงหาเพื่อให้ได้เงินไปซื้อรถเนี่ยถูกใช่ไหมแล้วไปซื้อรถมาแล้วครอบครองอยู่ต้องดูแลรักษาเนี่่ทุกไหมถูกต้องประคับประคองให้มันคงอยู่อย่างนั้นตลอดไปทุกไหมถูกครั้นมันเสื่อมสึกหรอเออน้ํามันเครื่องหมดไ อ, อ้น้ํามันหมดในขณะที่กําลังขับหรือว่าเกิดตูบัดที่เหตุหรือตรงนั้นชารุดตรงนี้ชํารุดเป็นด่างเหมว่ามันต้องไปทุกไหม กแต่ถามว่ามันผิดไหมมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่เราควรจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ด้วยสติที่พัฒนาอ้าเข้าใจไหมเข้าใจปะเราควรจะอยู่กับสิ่งที่แปะแปะอยู่เนี่ยด้วยการพัฒนาเราสเสวหาด้วยสติที่พัฒนารักษาด้วยสติที่พัฒนาและเมื่อมันจะหลุดออกไปจากเราต้องรับรู้ด้วยสติที่พัฒนา เห็นไหมล่ะเพราะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตั้งแต่เราเกิดมาบรรปฏิทินระยะชีวิตเราอ่ะมันเราไม่รู้นี่ว่าวันนี้เรามานั่งที่นี่แล้วเย็นนี้เราจะตายหรือเปล่าคืนนี้เราจะมีไหมพรุ่งนี้จะมีปฏิทินชีวิตให้เราฉีกไหมเราไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกนาทีในขณะที่เรารู้สึกตัวมันต้องมีค่าที่สุดและค่าที่สุดของทุกนาทีที่เกิดขึ้นจากความรู้ตัวนั้นคือความสงบคือความสงบ ก็คือความสกปรเราปล่อยให้ใจของเราอยู่กับความฟุ้งซ่านว้าวุ่นตั้งแต่ตอนนี้จนยันเราแก่ตายไปเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะสุดท้ายทุกอย่างที่เรายึดไว้มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรให้ให้คงเหลือเลยแม้แต่ร่างกายของเราเองเข้าใจปะเออเพราะฉะนั้นมันจึงจําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องเหล่านี้ และเรื่องเหล่านี้ที่เราฝึกฝนเรียนรู้และปฏิบัติไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องที่ใครคนหนึ่งมันมาบัญญัติพุทธศาสนาคาสอนของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่งที่เล็งเห็นความทุกข์และจะอยู่อย่างไรกับความทุกนี้อย่างเป็นสุขมันเลยมีธรรมชาติที่เป็นกฎเกณฑ์ของมันอยู่ที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย จริงๆเราไม่ควรจะเอาศาสนาพุทธไปเปรียบกับศาสนาใดในโลกเพราะศาสนาอื่นๆนั้นของเขามีอะไรศรัทธาและความหวังแต่ของพุทธเราไม่ใช่ของพุทธนั่นคือกฎของธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เลือกใช้เราไม่รู้เหมือนไอสไตล์ค้นพบ e ทากับ mc กําลัง2 e เท่ากับ mc ก e. ํากกลัง2มันมีอยู่แล้วนะ มันมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามันเป็นของใหม่แต่รู้โดยไอสไตล์เหมือนกันเหมือนการการรู้ทุกขละเหตุของทุกข์ความดับทุกขความสหบในขณะที่อยู่กับชีวิตนี้มันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบถ้าเมื่อใดที่เราเออ่ปล่อยชีวิตจมอยู่กับความว้าวุ่นโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นความว้าวุ่น เราก็ไม่เห็นคุณค่าของความสงบแต่เมื่อใดที่เราเกิดความสงบจากการฝึกฝนเราจะรู้ว่าอันนี้ดีกว่าทุกเรื่องที่เรายึดอยู่มันมันจึงเป็นการวัดใจวัดใจกันที่พวกเราได้มากันทีนี้เราไม่ได้มาหาบุญเพื่อไปเก็บไว้ในหีบกล่องบุญเราไม่ได้มาหาบุญเพื่อที่จะไปให้ใครจดบันทึกไว้ ว่าไอคนนี้มันถึงเวลาตายวันนี้แล้วพอดีมันมานั่งสมาธิที่อาคารทำปล่อยมันไม่ให้มันตายไม่ใช่ถูกปะล่ะเราไม่ได้เอาอย่างนั้นถ้าเราเอาอย่างนั้ น, มนไม่ต้องมาที่นี่ไม่ต้องมามีที่อยู่อื่นเยอะแยะอยู่ที่บ้านก็มีแล้วเพราะฉะนั้นการเจริญสติฝึกฝนสติจําเป็นที่เราจะต้องปักใจเข้าไปสู่กายใจที่แท้จริงให้ได้ก่อน คือคำเป็นรูปคำพอเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นใจเป็นชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีหญิงมีชายอ่าจริงๆแล้วมันไม่มีหญิงมีชายเพราะอะไรเพราะกายประกอบด้วยธาตุสีใช่ไหมถูกเปะะ่าล่ะเออมันเป็นความรู้ที่เราต้อ ง, องรู้อะ่ะสร้างให้มันถูกต้องก่อนมันจะได้ไม่วิ ป, ปลาสกายที่บอกว่ามันไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายเพราะมันประกอบด้วยธาตุสี่เหมือนกันธาตุสี่มีดินน้ําลมไฟ ลักษณะแข็งแข็งในกายของเรามีผมขนเล็บควันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารไหม่อาหา ร, าหารเก่านี้คือธาตุดินดีสเลดหนองเลือดเหงื่อมันค้นน้ำตาเปลียมันน้ำไหลน้ำมูกไก่ ข, ข้อมูดนี้เป็นธาตุน้ำลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลมเบื้องล่างลมพัดไปตามตัวลมหายใจนี่คือลม ควยที่ยังกายให้อบูนควยที่ยังกายทุดโสมควยที่ยังกายให้กระวนกระววยและควยที่เผาผลาญอาหารในย่อยนี่คือธาตุไฟทุกชีวิตมีไหมที่เป็นกายที่ยังไม่ตายมีเหมือนกันไม่จําเป็นต้องเป็นหญิงเป็นชายเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปสู่กายที่แท้จริงมันจะง่ายมากกับการที่จ ะ, จะเจริญสตินั้นในสติที่จ ะ, จะเจริญขึ้นมาตั้งฐานเนี่ยต้องเอากายนี้แหละเป็นฐานเราเรียกว่าสติปฐาน มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นคําที่อยู่หมกอยู่ในวัดนะมันไม่ใช่ว่าสติปัฏฐานแล้วต้องนุ่งใส่เสื้อขาวคมขาวโกนหัวโกนคิ้วเดินเนิบเนิบเนิบไออย่างนั้นอนะ่ะเขาจึงดูถูกคนพูดเรามันไม่ทันกินแค่ที่จริงมันกระชับกระเจงคล่องแคล่วว่องไวเพราะความคมของสติอย่างไปจับอย่างเงี้ยจับโดยควาไม่รู้ตัวด้วยอํานาจของความอยากแต่พอมีสติปั๊บมันจับด้วยสติมันไม่ผิดอะ่ะ มันไม่มีผิดเลยจับปับ๊บยกปั๊บอืมจะเปิดจะปิดจะรินจะอะไรต่างๆมันถูกต้องไปหมดเพราะความรวดเร็วจับไวของสติที่เห็นชัดเจนถูกป่ะนี่คือการสติของเราเพราะนั้นมันมีคำเปรียบเทียบว่าเมื่อเราจเจริญสติได้แล้วเนี่ยมันเหมือนเราอยู่ในโลกเหมือนลิ้นงูที่อยู่ในปากของงูแต่เราไม่ถูกเขี้ยวองเขี้ยวพิษของงูกัด อันนี้ก็เหมือนกันสิ่งต่างๆมันมีอยู่ไ้ยมันมีอยู่สามีภรรยามีไหมมีอยู่แต่สามีก็จะดีเป็นที่ปรารถนาของภรรยาภรรยาก็จะดีเป็นที่ปร า, ารถนร า, าของสามีเพราะมันเข้าสู่ใจกลางกันหมดเลยก็จะเห็นเออภรรยาเป็นที่ปรารถนาของสามีภรรยาต้องดีลูกเป็นที่ปรารถนาของพ่อแม่ก็คือลูกดีพ่อแม่เป็นที่ปรารถนาของลูกก็คือ พ่อแม่ดีถ้าลูกพ่อแม่ไม่ดีแล้วเป็นยังไงพ่อแม่มีลูกไม่ดีแล้วเป็นยังไงสามีมีภรรยาไม่ดีแล้วเป็นยังไงภรรยามีสามีที่ไม่ดีแล้วเป็นยังไงอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีอ่ะมันเกิดขึ้นจากการอะไรเกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีสติแล้วไปหลงยึดติดอยู่กับอำนาจของสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาแปะติดเพื่อนติดเหล้าติดธุราติดการพ น, นัน ติดเที่ยวกลางคืนติดช้อปปิง้งติดคือคําว่าติดนี่หมายความว่ า, วามันทําเยอะอะติดไปเยอะจนกลายเป็นหน้าที่ต่างๆของตอนเองไม่ดีนักเรียนก็ไม่ดีครูก็ไม่ดีเป็นสามีก็ไม่ดีไปเป็นลูกน้องก็ไม่ดีไปเป็นเจ้านายก็ไม่ดีเพื่อนก็ไม่ดีไปเป็นอะไรต่างๆไม่ดีสักอย่างเออแล้วสุดท้ายเราจะเอาอยัางไงนั่นแหละคือที่มาของการจเจริญสติเพราะอะไรเพราะพอเจริญสติปั๊บมันมีระยะ ปสติที่แข็งแรงเนี่ยคนไม่มีสติที่แข็งแรงจะจะไม่เข้าใจแต่พอตั้งใจฟังแล้วจะเข้าใจว่าพอมีสติปับมันจะยืดระยะมันจะยืดระยะแม้แต่แต่งตัวปับจะออกจากบ้านขับรถเนี่ยพอจะขับรถปับสติมันไปก่อนแล้วออกจากนี้ไปตรงนันตงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงั้นอย่างงังังนควรระวังอย่างไรมันจะยืดระยะให้เราได้จะรืญสติ ให้เราได้พินิษ์พิจารณาทุกเรื่องที่เราตัดสินใจเพราะฉะนั้นมันจึงจําเป็นที่จะต้องรู้กายใจที่แท้จริ ง, งเด็กถึงจึงออกมาพูดว่าเมื่อเช้าต้องพูดเรื่องนี้แล้วก็เชื่อมโยงเข้ามาในกายใจที่แท้จริงของเราเพื่อให้จิตของเราเข้าสู่กายนี้อย่างแท้จริงเราต้องกล้าพอที่จะยอมรับและก็ใช้วงของเวลานี้เพื่อที่จะอยู่กับกายแท้จริงของเราลืมชื่อไปเลย ลืมชื่อลืมนามสกุลไปก่อนคาว่าลืมในที่นี้ไม่ใช่ว่าตัดทิ้งนะแต่เอาความสนใจทั้งหมดมาที่กายมาที่กายพอเอาความสนใจทั้งหมดมาที่กายปั๊บมันก็ไม่จำเป็นแล้วแหละเป็นพระก็แค่กายเป็นเจ้าคุณ <c oughs> ก็แค่กายเห็นไหมเป็นเศรษฐียิ่งใหญ่ก็แค่กาย เป็นคนจนขินใจก็แค่กายจะเป็นอะไรอะไรก็แค่กายแล้วก็เจาะลงไปที่กายนี่เลยที่นี้เจาะลงไปที่กายเลยวันภาคบ่ายเราจะเข้าสู่ช่วงของการรู้ลมชมกายรู้ลมชมกายลมหายใจของเราที่ไหลเข้าไหลออกเป็นกายอย่างหนึ่งเราจะบังคับมันก็ได้ ไม่บังคับมันก็ได้แต่ที่แน่ๆเราหายใจของเราอยู่ทุกวันมันเป็นกายใช่ไหมทีนี้เรารู้กายคือรู้ลมหายใจรู้ยังไงก็แต่ก่อนเราชงกาแฟเรากินข้าวเราดื่มเรานั่งคุยสนุกสนานกับเพื่อนกับฝูงของเราเราก็หายใจอยู่แต่เราไม่เคยรู้เราก็ปรับใหม่แค่มารู้ลมหายใจในขณะที่ลมหายใจมันเคลื่อนไหวไอันนี้เรียกว่ารู้ลม พอมันรู้ลมได้แล้วจิตอยู่กับลมหายใจได้แล้วอยู่กันแล้วทีนี้เราจะชมกายชมกายก็คือแยกแยกกายของเราออกมาเป็นธาตุธาตุธาตาาะรู้ลมไปด้วยแล้วก็ชมกายไปด้วยรู้ลมไปด้วยแล้วก็ชมกายไปด้วยรู้ลมไปด้วยก็เลยชมกายว่ลองดูว่าจิตที่มันอยู่กับกายจริงๆอย่างนี้มันเป็นอย่างไรเข้าใจไหเข้าใจปะ <laughs> ไม่เข้าใจอ่ะถามเพราะไม่รู้ว่าไม่เข้าใจอะไรด้วยใช่ไมไม่รู้ว่าไม่เข้าใจอะไรด้วยใช่ไหมก็เลยไม่รู้จะถามอะไรแต่ถามว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจเอาไม่เข้าใจถามไม่รู้ว่าจะถามยังไงเพราะไม่รู้ว่าไม่เข้าใจอะไรเอาง่ายๆเดี๋ยวเราก็รู้ลมหายใจกันทีนี้ วิธีการที่เราจะรู้ลมหายใจทําไมถึงพูดย้ําแล้วย้ําอีกเพื่อไม่ให้เฝอออกจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเวลาสอนใช่เรื่องเหล่านี้เนะี่ยต้องดูว่าพระพุทธเจ้าผู้ทําถึงประสบความสําเร็จแล้วท่านทําอย่างไรสอนไว้อย่างไรต้องเอาอย่างนั้นแหละมาพูดมาสอนไม่ใช่ว่าเอาคําที่เราถนัดของใครของมันกันแล้วมาสอนทําอย่างนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลย อุชุงกาอย่างปานิทายะสติปริมุขังอิสบริมุขังสติอุปัฏฐเปตตวาปัสโป ส, โ ต, ส, ตสโตปัสสโตอัสติสโตปัสสติเป็นลำดับชั้นลงมาทีคังว่าอัตชั้นโตทีคังอัตสามมิติปชานาติไปเรื่อยเรืยืย เ, ย เ, ย เ, ย เ, ยเยลงไปเป็นลำดับลงไปลงไปลงไปลงไปนั้นเราอยาไม่เฟ่ออกนอกเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องควงังและก็จําไว้สองคำสองประโยค หนึ่งลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยช่วยได้ทุกอย่างจาไว้สองมีความรู้รองรับสภาวะที่ปรากฏอันนี้คือรู้จริงความรู้รองรับสภาวะที่ปรากฏเมื่อกี้ดึกเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความสะบบใช่ไหถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าไปถึงจิตมันนิ่งไม่ปรุงแต่งใดๆอยู่กับอุเบกขาแล้วก็รู้ลมหายใจมันเกิดเป็นความสะบบตรงนั้นขึ้นมา ความรู้ที่เราเคยรู้ว่าความสหบเป็นอย่างไรจิตสัมผัสกับความสหบนั้นได้นี่เรียกว่ามีความรู้รองรับสภาวะที่ปรากฏจิตมันก็จะอ๋อความสหบเป็นอย่างนี้นี่เองมันก็จะเป็นเสน่ห์ของความสหบจิตจะมีฉันทะในการที่จะอยู่กับความสหบอย่างนั้นมูลค่ามันมหาศาลมากหรือความสุขความปราโมทที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นสภาวะที่ปรากฏพอมันเกิดขึ้นปั๊บ เรารู้ว่าอ๋อนี่คือความปราโมทนี่เทียว่ามีความรู้รองรับสภาวะที่ปรากฏเป็นประโยคที่สองทุกครั้งที่มีความรู้รองรับสภ า, สภาวะที่ปรากฏมันคือความรู้จริงความรู้จริงอะไรที่มันรู้จริงมันไม่สงสัยเราเหมือนเรารู้หนึ่งบวกหนึ่งเทากสตั้งแต่เราเรียนหนังสืออนุบาลมาวันนี้สงสัยไหมก็ไม่สงสัยเพราะมันจบไปแล้วพอรู้จริงปั๊บแล้วมันจบไปแล้วพอรู้จริงปั๊บมันจบไปแล้ว คำที่เราเรียกว่าสติเราก็อ่านจากหนังสือเราไม่มีสภาวะมารองรับว่าสติเป็นอย่างไรแต่ครั้นามารู้ลมหายใจไปเรื่อยๆแยกย้ายไอออกอาการที่มันไประลึกต่อลมหายใจลมหายใจมันเคลื่อนออกและอาการระลึกต่อลมหายใจการระลึกระลึกระลึกนั้นเรียกว่าสติพอเราระลึกไปเรื่อยๆความระลึกนี้แข็งแรงจิตมันเห็นความระลึกนี้อ๋อนี่ไงสตินี่เรียกว่าความรู้ที่มีสภาวะรองรับ พอระลึกไปเรื่ยสติเป็นเหตุให้เกิดฮ hmm, ีริฮีริคือความละอายแก่ใจในการที่จะทําผิดความละอายแก่ใจในการที่จะทําผิดเรารู้อยู่แล้วว่าเราอันนี้คือการกระทําอย่างนี้ผิดการกระทําอย่างนี้ผิดการกระทําอย่างนี้ผิดใช่ไหมเออเป็นลูกรู้อยู่แล้วว่าทําอย่างเนี้ยทําผิดต่อพ่อต่อแม่เป็นพ่อแม่รู้อยู่แล้วว่าอย่างเนี้ยทําผิดต่อลูกเป็นสามีรู้อยู่แล้วว่าอย่างเนี้ยทําผิดต่อภรรยา เป็นพระยารู้อยู่แล้วว่าอย่างนี้ทำผิดต่อสามีเป็นพระรู้อยู่แล้วว่าอย่างนี้ทาผิดต่อพระธรรมวินัยเป็นอะไรก็ช่างเอะรู้อยู่แล้วว่าทาผิดแต่เรายังทาผิดเพราะอะไรเพราะฮิริมันไม่เกิดเข้าใจป่ะฮิริมันไม่เกิดเมื่อเราจะเริญสติฝึกฝนไปเรืๆๆๆๆ่อยรืยเริ่มมันมีความว่อเกิดขึ้นตามที่มันเคยเป็นตามที่มันเคยเป็นเช่นลูกจะอนีออกจากบ้าน ปกปิดพ่อแม่ทํามาเรื่อยๆแต่พอมันจเจริญสติปั๊บมันคิดที่จะออกจากบ้านปั๊บมันเกิดความละอายขึ้นมาเกิดความละอายขึ้นมาว่ามันไม่ดีเลยไม่ทําดีกว่ามันตัวนี้มันก็อ๋อไอ้นี่เองคือฮิริอันนี้เองคือฮิริเพราะฉะนั้นทุกตัวที่เป็นธรรมะมันจะเป็นสภาวะที่ปรากฏ มีความรู้เข้าไปรองรับเหมือนที่หลวงพ่อวิทยยังเคยเล่าเคยเคยเคยฟังไหมหลวงพ่อวิทย์ยังอ่ะท่านไปนสอนสมาธิไห้กับฝรั่งและไอ้คนฝรั่งมันก็มาปฏิบัติปฏิบัติเสร็จถึงเวลามอบ บ, บุติบัติฝรั่งเข้ามาถึงรับบุติบัติพอท่านให้ฝรั่งมันคืนท่านถามว่าคืนทําไมเพราะผมไม่รู้ว่าไม่เห็นว่ามันจะได้อะไรก็เลยคืนจากนั้นก็ขับรถ เขเป็นคนอารมณ์แรงนลยขับรถออกไปถึงกลางถนนไปได้หน่อยหนึ่งมันก็เกิดการเฉียวกันไอ้คันโนอนเอาผิดแกไม่ผิดพระระหว่างที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาแกเกิดคันโบโหวความโกรธขึ้นมาอยู่ๆแกก็เห็นความโกรธของแกเห็นความโกรธของแกแล้วแกก็รู้ว่าถ้าโกรธอย่างนี้ได้ก็มีโอกาสได้คิดว่า ตะาโกดอย่างนี้นะลงไปถึงปั๊บเกิดมีเรื่องมีราวทะเลาะทำร้ายร่างกายกันมันจะบานกลายถึงโรงพักต้องต้องหาท่านหงท่า น, นายดีไม่ดีคุมไม่อยู่อาจจะต้องติดคุกติดตารางอาการเหลนี้เขาบอกเออท่นไม่ลงไปทะเลาะดีกว่าสหบใจไว้แล้วก็โทรหาประกันอย่างเงี้ยพอเคลียรตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยขับรถกลับมาหาหลวงพ่อวิญญางอีกครั้งมากราบใหมเอามาไหม ผมมาขอวุธิบัตรคืนอา้าคืนแล้วเอากลับทำไมอ่ะเพราะผมรู้แล้วว่ามันได้อะไรอันนี้อันนี้เรียกว่าความรู้รองรับสภาวะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นมันจึงต้องเริ่มต้นที่กายที่ใจของเรา